พวกที่ทรัพย์สินเสียหายเนี่ยนะก็บอกว่าคนที่นิวยอร์กเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไม่ต่ำกว่าห้าหมืนคนเนี่ยนะโรคซึมเศร้าเงางอยโอ้มันหายไปต่อหน้าต่อตานะเยอะมากเลยนะเสื่องซึมท้อแท้ถอยทุกข์ว่างนันหรือพูดแบบธรรมดา ท, ทั่วไปนะคนที่เรารักเราพอใจเขาจากเราไปนี่เราก็เราก็ทุกข์ใช่ไหม ก็มีบางคนจากไปเนี่ยอุยอีกหลายคนก็ร้องให้อยู่นั่นแหละนั่นนะคิดถึงแล้วคิดถึงอีกคิดถึงเมื่อไหร่ก็น้ําตาซึมทําตาเปรีบๆอยู่นั่นแหละนะเออตันหาไอ้โทสะมันมีฉันท่าเกิดร่วมด้วยนะมันพอใจเหมือนกันนะที่ได้ได้เสียใจนะมันก็ดีใจที่ได้เสียใจเหมือนกันแตนะเพราะมันมีฉันท่าเกิดร่วมด้วยมันเคลือบเอาไว้นะมันก็มีความสุขที่จำนวนขณะที่เสียใจนะมันมีฉันท่าเกิดร่วมด้วยใช่ไหม ถามว่าโกรธนิสใจไหมที่ได้โกรธนะนั่นแหละมีฉันทะเกิดร่วมด้วยหรือบางทีเนี่ยเรามีญาติที่พลาญสกุลใช่ไหมญาติพลานวงตระกูลเนี่ยมาผู้แจกจ่ายทําให้กระจัดกระจายทําลายโภคะเนี่ยเกิดในสกุลนั้นก็เดือดร้อนกันยกใหญ่เลยนะเจ้านี้เกิดมาเนี่ยโหตระกูลเนี่ยวิบัติชิพหายล่มจมหมดเลยนะเขาบอกเกิดมาพลาญตระกูลเนี่ยท่านก็คนนั้นทําให้ทรัพสมบัติเสียหายก็เสียใจกัน หรือว่าความเป็นของไม่เที่ยงแห่งโพคาเป็นที่แปดก็ของที่เราอยากได้มันเที่ยงไม่แล้ว น, นะเหมือนกับรถที่เราพอใจแล้วรถมันเที่ยงไม่แล้วอยู่มันก็พังของมันไปอ่ะนะมีบ้านบ้านก็รู้จักผุจักพังมีที่นาที่นาก็รู้จักอะไรน้ามันท่วมเป็นต้นจนใช้การไม่ได้มีบ้านบ้านก็ถูกไฟไหม้มีคนที่อยู่ด้วยเขาก็แก่เป็นอะไอย่างเงี้ยนะมันก็เราก็ไม่ค่อยชักไม่ค่อยสนุกแล้วนะเพรน พวกสิ่งที่เรามีทั้งหลายเนี่ยมันเสียเป็นอะมันกเนี่ยมีเสียเป็นอะนะไม่มีอะไรที่ไม่เสียเป็นเครื่องเสียงก็เสียเป็นอะนะบ้านทั้งหลายก็เหมือนกันอะเสียเป็นอะไรเป็นทุกอย่างมันไม่มีทุกอะไรเหมือนเดิมใช่ไหมมันเพราะมันรู้จักเปลี่ยนแปลงอะนะบอกบางคนบอกโอ้จังกับเด็กเนี่ยน่ารักจังเลยโตมาทําไมไม่เหมือนเดิมเอามันไม่เที่ยงมันจะไปเหมือนเดิมได้ยังไงถ้าเหมือนเดิมก็นิพพานเลยไม่ใช่หรอกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ หรือบางทีสัตว์ก็เสื่อมจากกามทั้งหลายคือโภคะเหล่านั้นยังตั้งอยู่นั่นแหละแต่ว่าสัตว์นั้นเคลื่อนตายอันตรธานสูญหายไปจากโภคะเหล่านั้นสัตว์นั้นย่อมเสื่อมย่อมเสียหายย่อมกระจัดกระจายร่วงไหลอันตรธานสูญหายไปจากกามทั้งหลายเช่นตัวเองจะตายเนี่ยนะแต่ตัวนี้เดือดร้อนมากนะมีเงินก็จะตายจากเงินมากๆอ่ะนะยังเรียกว่าบางคนเนี่ยหาเงินจนได้เต็มที่เสร็จแล้วตัวเองต้องตายอย่างเงี้ยนะหาเงินจนร่ํารวยแล้วก็เป็นมะเร็งตาย หาจนมั่งมีแล้วก็เป็นเอตตายเนี่ยยังไม่ได้ใช้อของที่ไปสแสวงหามาเลยนะมันก่อนไปนงานศพโยมก็เล่ามาแม้เราสองคนนะไปเที่ยวสแสวงหาทรัพย์กว่าจะได้เงินได้ทองพอได้มาแล้วเขาก็ตายไปแล้วเามาือนกันก็แสดงว่าไอ้คนที่อยู่นี่ก็ก็เสี ย, ยใจที่ที่อีกฝ่ายตายนะไอ้ฝ่ายที่ตายก็เสี ย, ยใจเหมือนกันที่จะต้องจากสิ่งที่ตัวเองสสแสวงหามาได้คนที่ เสียใจโดยมากเหล่าเนี่ยนะก็คือคนที่นึกถึงสิ่งนั้นก็ติดติดนึกถึงสิ่งนี้ก็ติดนึกถึงสิ่งนั้นก็ของเรานึกถึงอันนี้ก็ของเราอะ่ะแล้วเราต้องจากสิ่งนั้นไปเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจอย่างสุดซึ้งเว้นไว้แต่คนที่มีธรรมะหน่อยนะมีสุรธรรมหน่อยมีธรรมะหน่อยจากมาแล้วก็ไม่ค่อยอาไยอาวนะนะต้นมะกรูดมันจะตายช่างมันตะไครจะตายก็ช่างมันนะ บ้านจะฝุ่นจ <si ับบ้างกระช่างมันอย่างเงี้ยนะก็เออเนี่ยก็จากพอจากได้นะแต่ไม่ใช่จากเลยนะเดี๋ยวจะกลับไปอีกเหมือนกันไปรดน้ำต่อเนี่ยนะมันนี้แหละมันก็พอจากได้ถ้ามีก็หาเรื่องทุกอยเดี๋ยวนั่้นะ มันก็พวกวัตถุกรรมทั้งหลายก็เหมือนกันนะมันก็คิดถึง เ, ออเวลาที่ที่จะต้องจากสิ่งนั้นนั้นไปเนี่ยนะโหสียใจมากนะทุกข์ใจามากก็ยิ่งสังเกตดูนะคน ท, ที่ที่มีพค้าหน่อยนะตัวเองจะตายแล้วคนอื่นไม่มาเยี่ยมเลยไม่มาให้กำลังใจเลยพวกนี้จะทุกข์มากนะไอ้โรคมันไม่เท่าไรหรอกแต่ใจเนี่ยมันเป็นเอามากอะเนี่ยเนี่ยหือ บางพวกเนี่ยนะถ้ายิ่งแบบคล้ายๆว่าทรับมรดกแจกมาให้เขาหมดแล้วเขาไม่มาเยี่ยมไม่มาดูเลยก็ทุกข์ใจเสียใจบางคนเนี่ยนะพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยนะปกติมันจะอยู่ได้เป็นปีๆนะพอรู้ว่าเป็นไม่ไมถึงสิบวันหรือสิบกบว่าวันตายแล้วอย่างเง้นะทำใจไม่ได้นะมันทุกข์ทางใจเนี่ยมันหนักกว่าอย่างอื่นอีก เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโภคพวกทรัพย์พทั้งหลายถูกโจรลักไปถูกพระราชาริบถูกไฟไหม้เสียหายอันหนึ่งผู้เป็นเจ้าของก็ย่อมละทิ้งสรีระกับทั้งข้าวของเพราะความตายนักปราชญ์ทราบเหตุนี้คือทราบที่ว่าทรัพยเนี่ยเกิดมาในโลกมันจะต้องหมดไปถ้าเราไม่หมดไปจากทรัพย์ทรัพย์มันก็หมดจากเราอะนะถ้ามันไม่หมดก่อนเราก็ตายก่อนนั่นแหละสองอย่างนั่นแหละถ้ารู้อย่างนี้ก็รู้จักใช้สอยบ้าง รู้จักให้ทานบ้างครั้นให้ทานและใช้สอยตามสมควรจะเป็นผู้ไม่ถูกติเตียนคือใช่ไหมบางคนเนี่ยเก็บซัพ์กู๋กินประหยัดอดอมจริงๆแล้วก็ตายหนีจากไปนะมีคนชมไหมไม่มีนะเก็บไว้ทำอะไรอย่างงี้ซื้อเตียงมาแต่ว่านอนข้างล่างเลนะในที่สุดตัวเองก็ตายจากเตียงไปมีประโยชน์อะไรซื้อรถมาเก็บไว้หน้าบ้านอย่างง้นนะไม่ใช้ได้อะไรสักอย่างหนึ่ง น, นะแล้วก็ รถมันเสียไปนี่มีใครจะมาสงสารด้วยไหมไม่สงสารหรอกมันถ้าหากว่ารู้จักใช้บ้างแล้วก็รู้จักให้ทานบ้างก็จะไม่ถูกติเตียนเมื่อตายไปก็จะเข้าถึงสถานสวรรค์เนี่ยนะก็ให้ทานนะอาศัยวัตถุเหล่านั้นมาเป็นที่ตั้งแห่งแห่งบุญเนี่ยนะอาศัยวัตถุเหล่านั้นมาทําบุญว่าปกตินะสรุปว่ากามเหล่านั้นเสื่อมไปด้วยเหตุสองนะถ้าเราไม่เสื่อมจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เสื่อมไปจาก เราถ้าเราไม่เสื่อมจากเขาเขาก็เสื่อมจากเราอ่ะนะก็มีอยู่เท่านั้นะ่ะทีนี้พอสิ่งที่ตัวเองชอบใจเต็มที่ะนะสิ่งที่ตัวเองพอใจเต็มที่ถ้าเราต้องจากสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นจะจากเราสัตว์นั้นก็ย่อมกระสับกระสายเหมือนสัตว์ที่ถูกลูกสอนแทง เพราะพูดถึงพวกที่ถูกเหล็กแทงเนี่ยเป็นยังไงไหมถูกเหล็กแทงถูกกระดูกแทงถูกงาแทงถูกเขาแทงถูกไม้แทงก็ย่อมดิ้นรนกับสัต์กระส่ายวันไว้จุกเสียดเจ็บตัวเจ็บใจเนี่ยนะพวกที่ถูกทิ่มถูกแทงอ่ะนะก็ตอนที่ใบศนแทงนี่เป็นยังไงอ่ะนะนิดเดียวนะใบศนนะนะถ้าหากถูกลูกปืนแทงเนี่ยจะขนาดไหนอีกนะถูกลูกระเบิดแทงเนี่ยนะหรือว่าถูกอาวุธถูกดาบถูกหอกทิ่มแทงเป็นต้นเนี่ย ก็ดิ้นรนจุกเสียดเจ็บตัวเจ็บใจใช่ไหมถูกไอ้นั่นแทงเป็นยังไงเหลือบก็ค <ขา S 1> ันเลยนะขยับตัวเลยนะเหลือบจิ้มทีก็ขยับทีเลยแหละนะขนาดตัวนิดเดียวนะตัวนิดเดียวอะถ้าถามว่าถ้าตัวใหญ่ๆมันจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็ดิ้นรนอะนะถ้าเสียบถูกตรงไหนก็เจ็บตัวเจ็บใจนั่นแหละ ความโศกความคร่าครวนความเจ็บกายเจ็บใจและขับแค้นใจก็เกิดขึ้นเพราะวัตถุ ก, กามทั้งหลายเนี่ยแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปนะวัตถุที่เราพอใจพอมันแปรปลุนมันเปลี่ยนแปลงเสียหา ย, ปยไปก็เสียใจสัตว์นั้นก็ถูกลูกศอนคือกามเนี่ยแทงแล้วนะถูกสิ่งที่เราพอใจเนี่ยมันที่มันแทงไงไหมก็กระสับกระส่ายวันไว้ดิ้นรนจุกเสียเจ็บกายเจ็บใจฉะนั้นเหมือนกัน น, นะก็นางปตาจาราจะไม่รักพ่อรักรักสามีมากรักลูกมากรักคิดถึงพ่อคิดถึงแม่พอทราบว่าสิ่งเหล่านั้นเสียหายไปบ้าเลยเนี่ยนะมันก่อนคุณมุนชูเล่าให้ฟังว่าเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งใช่รักหลานคนหนึ่งมากหลานมันตายเป็นบ้าเลยเกันเป็นโรคจิตเลยอะ่ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้ารักสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นเสื่อมไปก็เป็นบ้ากันไม่ใช่น้อยนะเป็นบ้ากันไม่ใช่น้อยหลายคนทาใจไม่ได้ทาไง มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะเป็นเอตทั้งสา ม, มีพันยาลูกผูกร่วมตายกันทั้งคู่นั่นแหละ น, นั่นก็เศร้าโศกเสียใจกั น, น, นนะก็มีหลายคนนะพอกามรู้ว่ากามเนี่ยไม่สมหวังก็ฆ่าตัวตายไปก็มนนะีหรือว่าผู้ใดจะทําให้ตัวเองเออไม่สมหวังในกามก็ถึงกับฆ่าผู้ผู้นั้นนั้นๆก็มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวัตถุ ก, กามเนี่ยหม่มันมันรุนแรงมา ก, ก น, นะเรียกว่าแรงดึงดูดมันแรงมาก ดอกไม้สวยๆนะมันดึงดูดคนได้นะอย่าไปเชื่อว่ามันไม่ดึงนะมันไม่ได้ดึงแต่มแมลงผู้มแมลงพึ่งเท่านั้นแหละมันดึงคนไปดูมันได้อ่ะคิดดูอ่ะตะรอนตะรอนตะรอนมาจากที่ไกลเพื่อจะไปดูดอกไม้อ่ะดูสีนั่นแหละโอ้ยตะรอนตะรอนไปอือก็ไปไกลไกลเพื่อจะไปฟังอะไรเสียงอะไรนะ เ, เสียงสายลวดที่ใส่กับไม้แล้วดีดติ้งติ้งติงติเ็นนั่นแหะไปฟังเสียงเนี่ยโอ้ยคิดดูเนะย มันดูดใจน่าดูเลยนะบอกแม้ก็ขนมเบือ้อหมอนะขนมปากหมอ้นนะโน่นเพชรบุรีขหลังกันขน ม, ขนมก็คอก๋วยเตี๋ยวเรือ ร, รังสิตเนี่ยนะหูฉลามไต่ไตโอ้ตยตะรนตะรนไปหากินกันนะเนี่ยนะไปหาหอยแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะเนี่ยต้องหอยนางรมสุราษนะเนี่ยนะโอ้ย ระหกระเหินเดินไปเร่ร่อนไปเพื่อจะไปกินเนี่ยนะเพื่อจะไปดูเพื่อจะไปเที่ยวอะ่ะคิดดูนะพวกอย่างเช่นนักท่องเที่ยวตอนนี้นะอายุสูงๆกันเน่ยนะเช่นชาวต่างประเทศเนี่ยสองตายายเนี่ยนะอายุแปดสิบเก้าสิบแปดสิบกว่ากันแล้วนะสองตายายเนี่ยโอ้ยพากันไปเที่ยวนั่งองเจ้ากับพิการนะทุกวันนี้เขาเรียกว่าสมัยใหม่เนี่ยนะเอาใจคนพิการ ที่มีสตังอะนะเพราะฉะนั้นพวกนี้จ่ายได้เยอะเพราะฉะนั้นก็เอาใจคนมีพิการเนี่ยคนพิการก็ชอบเนี่ยนะก็มีอาจารย์คนหนึ่งอะอุย้ยนักท่องเที่ยวเลยแหละนักเที่ยวเอามากๆเลยแหละนะเท้าขานี่เดินไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเที่ยวก่าคนปกติอกงกันเออเป็นขนาดนั้นพ อ, อ ร, รู้ว่าตัวเองเรียกว่าขาดแคลนในเรื่องนี้ก็เลยไปไปเอาสมบัติทางตานะดูสีนั่นแหละ ไปจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งตรอนตรอนอดอุจจระปัสสาวะกลัม้มเปยเนี่ยนะไปเที่ยวมันจะทุกร้อนขนาดไหนก็มันดีทางตาแต่มันทุกทางกายอ่คิดดูเดือดร้อนเนี่ยนะกระสับกระส่ายดิน้นรนวันไว้เนี่ยนะก็วันก่อนคุณมุนชูเล่าว่าโอ้โหชาวต่างประเทศใช่ไหมมาเที่ยวเขาลูกหนึ่งอ่ะมาแล้วก็มาเทกระจ่าตายอยู่ข้างถนนงันเกลือนเนี่ยนะคิดดู<ม> นานแนั่นพวกที่กามที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยนะเสียหายไปก็ร้องให้คร่ำครวญเดือดร้อนเน่ยนะก็วนก็วายเจ็บอกเจ็บใจนั้นพระองค์ตรัสว่าเมื่อสัตว์ปรารถนากามอยู่เมื่อสัตว์มีฉันท่าคือความพอใจเนี่ยเกิดขึ้นแล้วถ้ากามเหล่านั้นเสื่อมไปหรือว่าสัตว์เนี่ยเสื่อมจากกามสัตว์เหล่านั้นก็กระสับกระส่ายเหมือนสัตว์ที่ถูกลูกสอนแทงแล้วฉะนั้น คนที่เรียกว่าศูญเสียแล้วไม่เสียใจนะน้อยมากโลกนี้เนะี่มีไม่มีน้อยมากคือถ้าจะมีก็เรื่องที่ตัวเองไม่ไม่ไม่ได้ติดข้องเท่าไหร่นะจึงจะไม่เสียใจแต่ถ้าโดยปกติรวมๆแล้วอะ่ะวัตถุที่ที่เราติดข้องที่เราพอใจที่เราติดใจเนี่ยโอยสร้างความสะเทือนใจให้มากนะถ้าสิ่งนั้นจะต้องเสียไปเนี่ยนะจะต้องจากสิ่งนั้นน่ะ แต่ว่าต้องสิ่งนั้นต้องเรารักหน่อยนะแต่สิ่งที่เราไม่รักเอไปก็ได้ก็ดีหมดก็ได้ก็ดีนะแต่พูดถึงสิ่งที่เราพอใจเต็มที่อ่นะวิธีคิดง่ายๆว่าเราพอใจสิ่งไหนมากก็คือจิตเราไปวนๆในสิ่งนั้นบ่อยอ่ะนะอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราพอใจที่สุดแต่นะวนอยู่นั่นแหละคิดวันตั้งหลายรอบอนะรอบหนึ่งก็ตั้งหลายนาทีแสดงว่าประทับใจสิ่งนั้นมากอนะอะสิ่งนั้นนั่นแหละถ้าสิ่งนั้น่ะเสียไปเนี่ยโดยมากก็จะ เสียใจหรือตัวเองจะต้องจากสิ่งนั้นก็กเสียใจกันนั่นแหละมันทั้งที่กล่าวไปเนี่ยนะก็คืออะไรกล่าวอาัศาธาขับอาทีนวะคาถาแรกอาัศาธากล่าวถึงความยินดีกับสิ่งที่น่ายินดีหรือตันหาก็เท่ากับประกาศสมุทัยสัตว์นี่นะในขณะเดียวกันก็แสดงความจริงของทุกขสัตว์ว่าผู้ที่ปรารถนาะเพลิดเพลินติดข้องอยู่ในสิ่งนั้นอะ่ะสิ่งนั้นมีเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงใช่ไหม เมื่อสิ่งเหล่านั้นนั้นไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสัตว์ที่ติดข้องก็เศร้าโศกเสียใจพิไรรำทันขับแค้นใจหน้าดำําเครียดเดือดร้อนทุกขร้อนกับกับสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทุกข์สัตว์เป็นการแสดงทุกข์สัตว์แบบปริญญานะเพราะว่าผู้ที่จะเข้าไปเห็นโทษเนี่ยคือผู้ที่มีปัญญานะแสดงให้ผู้มีปัญญาเข้าไปเห็นเพราะฉะนั้นาการประกาศถึงโทษของกามเนี่ยคือการแสดงวิปัสนาเนี่ยนะ การแสดงถึงมิปัสนาว่าวัตถุเหล่านั้นมันมีโทษจริงๆถามว่าถ้ารู้อย่างเนี้พอควรไม่ที่จะติดใจในสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นนํามาซึ่งความทุกข์ให้แค่ผู้ติดข้องเนี่ยหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะสิ่งใดที่น่าพอใจนะสิ่งนั้นเนี่ยนำความทุกข์ร้อนมาให้เป็นอย่างมากไอ้สิ่งที่เราไม่ค่อยพอใจนะสิ่งนั้นเนี่ยนำความทุกข์ร้อนมาให้เรามากไหมไม่ค่อยมีหรอกแต่สิ่งความทุกข์ร้อนทั้งหลายเนี่ยจะเกิดโดยอาศัยสิ่งที่เราพอใจเนี่ยเป็น เป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะพระองค์จึงตรัสว่าความโศกเกิดจากความรักเนี่ยนะหรือจากสิ่งอันเป็นที่รัก